เธออยู่เนืองนิดนี่คือทุกข์อย่เงี้ยเรสรุปย่อยๆอยเงี้ยนะนี่คือทุกข์มากนี่เป็นความเจ็บปวดเป็นความทุกข์เธอเห็นไหมว่ามันเป็นปัญหาในทางดองอย่างนั้นภิกษุเหล่านั้นหรืออุบาศกบาสิกก็เห็นแล้วเจ้าข้ามันเป็นปัญหาจริงๆนี่ได้ก้อนของปัญหาขึ้นมาแบกเข้ามาถือเข้ามายึดคลองแล้วเธอรู้ไหมว่าปัญหาเหล่านี้อุปสรรคเหล่าเนี้ยตัวทุกข์เหล่านี้ที่กําลังเคลื่อนพลยบพลอยู่เนี้ยกําลังเคลื่อนพลผิดย้ายพลผิดอยู่เนี้ย กำลังเห็นผิดกำลังเดินทางผิดเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสู่ทางผิดมุ่งหน้าไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายเป็นต้นเหล่าเนี้ยมันมาจากอะไรเธอรู้ไหมพุทธเจ้าประถมไม่รู้ไม่รู้พุทเจ้าบอกตัณหาไงตัณหาที่บวกกับกรรมไงทั้งกุศลกรรมบ้างอา ก, กุศลกรรมบ้างไงที่เกื้อนหนุนเนี่ยเอาทําไมถึงทํากรรมทําให้ไปได้ทุกอย่างนี้เล่าอาวิชาไงความมืดบอดของจิตไงปิดบังทําให้เธอทั้งหลายไม่รู้คุณไม่รู้โทษใช่ไหม ไม่รู้อาสาทะไม่รู้อาทีนวะไม่รู้คุณแล้วก็ไม่รู้อาทีนวะไม่รู้โทษทั้งมันแล้วไม่รู้นิสระณนะว่าทางที่จะเดินออกจากสิ่งเหล่านี้ไงเพราะวิชาปิดนั้นไอ้ตัวตันหายตัวสมูทัยนี่ยเป็นเหตุทําให้ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อได้รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาแล้วได้กราชกายมาแล้วได้ขันห้ามาแล้วได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วเธอก็แบกขันตะพาละ ยกขันธพาแล้วบริหารขันธภาแล้วแบกเลยโดยความมีชื่อประการกฎอีกใช่ไหมใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่คโคดึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องก็แบกกันให้วุ่นวายอยู่เนี่ยอัตราตัวตนก็เต็มไปหมดเนี่ยนั่นยกขึ้นยกขันธพาละขึ้นมาแบกขึ้นมาดูแลแล้วพระเจ้ า, าบอกว่าปล่อยมันเสียเนี่ยมันทุกถ้าพูดกันให้ชัดๆว่าไอ้นี่มันรรคมันเร็งเนี่ยเนี่ยใช่ไหม บอกไม่ใช่มันสุกแล้วก็ไปเถียงคำสอนไปอย่างพเจ้าบอกทุกข์มันก็สุกเนี่ยแล้วก็เถียงพระเจ้าอยู่เงี้ยแล้วก็เหรียญมันสุกมันดีเนี่ยแล้วก็มีความสุขไปวันๆพระเจ้าบอกเอา้าสุขที่ไหนแล้วต้องยืนใช่ไหมต้องเดินต้องนั่งต้องนอนไหมต้องก้าวไปถอยกลับคู่เข้าเหยียดออกแรตรงแลเหลียวใช่ไหมการกินการดื่มการเคี้ยวการเลียมการนุ่งห่มถือภาชนะการ ขายอุจจระปัสสาวะการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งไม่เบื่อไงบอกไม่เห็นเบื่อเลยมีความสุขแล้วก็แย้งกับพระเจ้าอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแท้จริงนั่นแหละคือเรายกขันธภาระขึ้นมาแบกแล้วพระเจ้ามันหนักหนักเข้าหนักเข้าก็ทิ้งขันธภาระในขนาดจุดตีอีกพู้เจ้าไม่โพ้นอีกแล้ว เดี๋ยวก็ไปยกขันธภาระโดยฐานะไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างมนุษย์บ้างเทวดาบ้างพรคมบ้างก็หลงทางกันอยู่อย่างเงี้ยออกไม่ได้อะสินี่ไงทุกข์อันนี้เขาเรียกสแสวงหาการเกิดสแสวงหาความแก่สแสวงหาความเจ็บสแสวงหาความตายสแสวงหาความโศกสแสวงหาความวิบัติโดยแท้พระเจา้าบอกนี่สแสวงหาผิดพระเจ้าว่าสแสวงหาพระนิพพานสิ อะไรเป็นเหตุทําให้ได้ขันธภาระตันหามีกรรมทั้งบุญและบาปบ้างถ้าบาปก็ให้ผลเป็นทุกข์บุญก็ให้ผลเป็นสุขที่เป็นมนุษย์เทวดาแต่ก็คือทุกข์นั่นเองก็คือทุกข์นั่นเองแล้วมีอวิชชาปิดอยู่ก็มืดบอดนี่ไม่เห็นไม่เห็นเหตุหของทุกข์พระเจ้าที่บอกให้กําหนดรอบรู้แล้วก็ใจได้ละเสียละเหตุแนด่ ด, ด, นะนดีด้วยเนอะละยังไงเหตุแน่ดีดในอดีตที่ทํากรรมไว้อีกมากมายทํำยังไงจะละได้ ก็อยาให้อัธยาศัยเก่าๆมาเป็นปัจจัยในการทําอุศลกรรมในปัจจุบันและก็ปิดช่องทางไม่ให้ตันหาเกิดขึ้นอวิชาเกิดขึ้นและทําอกุปศลกรรมใหม่เกิดขึ้นทีนี้ก็จะทําอุปศลกรรมก็คือเจริญมาร์กเลยเมื่อเจริญมาร์กจะได้ปรินิพานเสียทีจะได้ดับตาหูจมูกเล่นกายใจอย่างถาวรในทุกภพจะได้ไม่ต้องไปเวียนไหวาตายเกิดพระเจ้าก็สรุปลงอริยสัจ พอเข้าใจแล้วก็ละฉันทะราคะคือกามราคะก็คือกามาสวะพวาสวะทิฏฐาสวะอวิชชาสวะได้ก็ถ่ายถอนจากขันจากกระบวนการตานได้ไหมถ่ายถอนครั้งแรกได้เป็นพระโสดาบันครั้งที่สองได้ก็เป็นพระสะกาทาคาครั้งที่สามก็เป็นพระนาคาถ่ายถอนอย่างหมดเกลี้ยงก็เลยกลายเป็นพระอรหันต์ก็หมดเชื่อมการเวียนว่ายใจเกิดนั่นก็เรียกว่าต่อไปพอจะ มีสลีระเป็นที่สุดแล้วมีรูปประคันเวทนากะ่ะสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่สุดแล้วลมหายใจขาดก็หมดขันธาระเลยไม่ต้องไปยกขันธาระขึ้นมาแบกใหม่นี่ไงคืออนุ ป, ปาทาปริณิพานที่พระเจ้าหวังเนี่ยเธอมานอนอย่างตถาคตนอนดื้อฉะนั้นนี่ไงการนอนแบบพระเจ้าแบบไม่ต้องลุกขึ้นมาบริหารขันธอีกเลยฉะนั้นไปสถานที่ปริณิพานใหม่ และไปตั้งอัธยาศัยว่าต่อไปขอนอนแบบไม่ต้องลุกขึ้นมายกขันธภาระขึ้นมาแบกขึ้นมาหามขึ้นมาจัดการขึ้นมาดูแลอีกเพราะมันเป็นภาระมากมเมาพอจะเข้าใจไหมกรณีที่ไถ่ชีวิตโครกระบือถือว่าเป็นการให้ชีวิตผู้อื่นผลที่ได้รับคืออะไรแล้วจะทำอย่างไรเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะคือทุกชีวิตเนี่ยการให้ความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าอาภัยทานโย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 มานั่งตั้งนานทำไมไม่ให้เราให้ทุกคนเลยนี่คือหลักปฏิบัติใช่ไหมขอให้ผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยเอายกใครขึ้นเป็นประธานได้ไหมเนี่ยมีพระท่านมาใช่ไหมเอาละเราจะให้ความปลอดภัยกับชีวิตพระคุณเจ้าที่มานั่งฟังธรำรขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาวขอให้ท่านปลอดภัยให้กุศลกรรมของท่านรักษากระแสชีวิตของท่านให้ยืนยาวอยู่ในร่มผ้ากาสาวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 จะกอดมันมันเป็นคนไม่ดีอย่างนี้ต้องจัดการต้องจัดการเนี่ยเราไปจัดการทําไม้ไปทําตัวเป็นผู้พิพากษาหรือเราจะทําตัวเป็นเป็นเพชฌฆาตนี่ไหมแล้วข้อสองให้ได้ไหมให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินได้ไหเอ้านึกถึงพระนี่พระท่านมีทรัพย์สินของท่านไหมมีไม่มีมีจีวรก็มีใช่ไหมในย่ามก็มีไหม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 การให้ในลักษณะอย่างนี้ในข้อสองที่มานั่งกันเนี้ยเราได้ให้ทุกคนได้ยังให้หมดเนี้ยจริงจริงใจเราได้น้อมให้จริงๆริงไหมให้หรือไม่ให้ ไ, ได้เจริญไม่ศีลข้อสองให้ทุกคนไหมให้ทุกคนมีความสุขมีความปลอดภัยในทรัพย์สินทั้งหมดไหมให้หรือไม่ให้หรือไม่ได้คิดใช่ไหมเราศีลข้อสองก็ไม่เกิดศีลมันเกิดขึ้นด้วยการน้อมจิตได้อย่างนี้จริงๆริงนะไม่ใช่เกิดแค่ไปนั่งสมาทาน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 มนั่งตรงนี้ถือไม่เลียวอันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมบอกอย่างนี้เป็นตน้นก็ฝึกเดินตั้งแต่ข้อแรกเราจะให้ความปลอดภัยในชีวิตใช่ไหเราจะให้ชีวิตเด็ลูกเป็นทานให้ความไม่เบียดเบียนในทรัพย์สมบัติก็ไล่ไปตามลำดับได้ไหมก็ฝึกให้ได้จริงๆเตามที่ประมวลมาเท่าที่ทราบมาทั้งหมดนี้เมื่อได้กราบเรียนถามพระคุณเจ้าแล้วแง่มุมที่ได้คาตอบก็คือว่า กรรมฐานสําหรับคนที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ควรที่เจริญในขั้นของฐานและศีลมาเป็นลําดับเพื่อเข้าสู่ในขั้นของศีลานุสติจาคานุสติน้อมระลึกให้เป็นพุทธานุสติและธรรมานุสติอย่างนี้ถือว่าจะเป็นกรรมฐานสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติในยุคนี้หรือเปล่าเจ้าคะก็คือตรงนี้ก็เดี๋ยวประเด็นตรงนี้ขอสรุปเลยนะก่อนใกล้จะจบนี่ก็คือว่า ที่จริงการนั่งนานๆถ้นานถ้าเป็นการเป็นการฝึกในเรื่องการเจริญสมถะกรรมฐานเป็นต้นเหล่ า, น, านี้นะยางยกเช่นตัวอย่างเช่นกลุ่มที่จะเดินในด้านของอาณาปณะสติเนี่ยเออเขาขับเน้นเรื่องนานซึ่งไม่เป็นไรแต่ข้อมูลก่อนเนีให้มีข้อมูลค่อนข้างช้าศึกษาให้ดีก็จะมีหลักปฏิบัติซึ่งมีครูบาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวัตรัปีดกอรรกฆาและดีกาด้วยและชํานาญในภาคทั้งปฏิบัติ ผ่านการฝึกผลมาอย่างดีด้วยเนี่ยเป็นกัญญาณามิตรคอยแนะนำได้อย่างนั้นก็เออเป็นประโยชน์ป่ะหรือกรณีาการกระทํากรรมฐานทุกชนิดทั้งหลายเหล่านี้นะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่ถ้าชีวิตของพระเนี่ยก็จะชัดเจนแต่ถ้าชีวิตของคารวะทั้งหลายเนี่ยซึ่งมาเสนอตามพระไตรปิฎกหลักฐานและคำพิคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเด่นมากจะเกี่ยวกันในเรื่องของอนุสติเป็นส่วนใหญ่ คือมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังคาศีิราชาคาใช่ไหมอุปสมาเป็นต้นเหล่านี้ซึ่งเป็นกรรมฐานที่เกื้อกูลต่อการที่ฆราวาสทั้งหลายที่จะต้องได้ใช้ตลอดเลยเป็นชีวิตจริงของฆราวาส ด, ด้วยซึ่งเป็นประโยชน์นะส่วนในกรรมฐานใดๆที่เป็นภาคแห่งความวิจิตทั้งหลายเกี่ยวกับการจะเดินก็สู่วิปัสนากรรมฐานใดๆนั้นพระองค์ก็สอนไว้นะแต่ว่าถ้าเดินทานกุศลศีลกุศลไม่ได้ อย่าหวังเลยที่จะไปเดินภาวนากุศลระดับวิปัสนาภาวนาหรือสมถาวิปัสนาเพราะสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานระดับที่สูงๆไปจากฐานกุศลศีลกุศลเป็นต้นนะถ้าไม่สามารถเข้าใจมุมของฐานกุศลศีลกุศลให้ดีพอกระโดดข้ามไปตรงนั้นที่สุดจริงก็จะกลับตกลงมาตกลงมาแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละฉะนั้น เป้าหมายเบื้องต้นก็นอย่างที่บอกโดยเฉพาะพุทธานุสติธรรมานุสติทั้งหลายเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเอาไปขับเน้นเป็นภาวนาก็จะเป็นสติปัฏฐานทุกข้อเลยนะซึ่งถ้าศึกษาคําสอนให้ดีๆเราก็จะเข้าใจบริบทของคําสอนได้อย่างดีฉะนั้นเมื่อสรุปในกรณีอย่างนี้นก็ฝากไว้ว่าอย่างเราท่านทั้งหลายก็ยังที่ได้กล่าวว่าเดินทานกุศลให้เป็นเดินศีลกุศลให้เป็นเมื่อนั่งณนะอาสนะใดมีเวลาสงบ อย่างยกตัวอย่างอย่างนี้นะเราไปไหว้พระเจดีย์ใช่ไหมที่จริงเคยกล่าวไปแล้วไปไหว้พระเจดีย์ไประลึกไปมองพระรูปไปมองพระรูปของพระเจ้าก็ดีหรือพุทธเจดีย์ทั้งหลายไปสาการาบูชามีของหอมมีดอกไม้มีอาหมิตรทั้งหลายไปยืนสามารถหลับตาลืมตาก็เห็นเด่นชัดเลยไปเวียนประทักศรรินสการาบูชาไปเป็นทั้งทานกุศลศีนกุศลภาวนากุศลใช่ไหม ทั้งกายกรรมเป็นทานกุศลอย่างไรกายกรรมเป็นศีลกุศลอย่างไงกายกรรมเป็นภาวนาวกุศลอย่างไงมีความเข้าใจแม้นกรณีแห่งการเดินได้ตามลําดับชัดเจนพอกลับมาถึงที่อยู่ก็น้อมระลึกถึงตนเองยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพลหรือพุทธเจดีย์ทั้งหลายหรือว่าอุเทสิกาเจดีย์ทั้งหลายก็น้อมเสมอเหมือนหนึ่งว่าตนเองปรากฏต่อหน้าตนเองในขณะนั้น เนี่ยกรรมาฐานจะเดินได้ด้วยการอย่างนี้อันนี้คือเดินพุทธคุณธรรมคุณหรือสังคคุณอันนี้ในรายละเอียดทั้งหลายก็ถ้ามีเวลาก็จะเขาคข้ขครควนอย่างไรว่ายกตัวอย่างเช่นไปกราบไหว้พุทธเจดีทั้งหลายกลับมาแล้วมาเดินกรรมาฐานต่ อ, อยังไงเขาจะมีหลักในชั้นคําสอนว่ากลับมาแล้วเอานิมิตเหล่านั้นมาละลึกเห็นคุณของพุทธเจ้าไปตามลําดับ จงยังปราโมดปีติประสิทธิความสุขสมณัตแล้วก็สมาธิตั้งขึ้นแล้วต่อมาก็วิจัยลงสู่วิปั ส, สนาอย่างไรท่านมีหลักคําสอนไว้ชัดเจนที น, นี้คารวาะเหมาะสมแก่การเจริญแบบนี้ไหมเหมาะถ้าอย่างนี้เหมาะเพราะเป็นการเจริญที่ไปจากง่ายแล้วก็ค่อยละเอียดลงไปตามจากหยากเข้อเบ็ดละเอียดไปตามลา ด, ดับแต่ไม่ใช่ไปเดินละเอียดซึ่งเราไม่มีฐานเลยที่สุดจริงๆเราอาจจะไปยึดติดอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะเป็นการหลงประเด็นไปถ้าอย่างนี้ออามามองว่าเป็นภาวะที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นไปกับคำสอนได้ดีที่สุดแต่ละจบแล้วบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมสาธยายธรรมหรือการสอบถามธรรมการประพฤติปฏิบัติการเดินทานศีลภาวนาทั้งหลายตลอดถึงด้วยอำนาจของคุณของพระรัตนตรยัยคือพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆรัตน จงเป็นเครื่องป้องกันพยันอันตรายทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกสามารถนํากระแสชีวิตของเราทั้งท่านทั้งหลายให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งภายในและภายนอกสามารถเดินทางศีลภาวนาประชุมทานาเจตนาศีลเจตนาเป็นต้นจนถึงภาวนาให้เกิดขึ้นในกระแสของชีวิตได้จริงๆในชีวิตจริงและน้อมนําไปไปขัดเกาไปประพฤติปฏิบัติ สารมาราพัฒนาคุณธรรมกาคือทานศีลภาวนาจนสามารถขจัดบาปอากุศลธรรมอลามกคืออกุศลกรรมบทสิทธิ์น้อมก็หาอากุศลกรรมบทสิทธ์คือยึดมั่นอยู่ในกายสุจจริต3ามวจีสุจจริตสีมโนสุจจริตสาสามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาประชุมในอุปจารสมาธิ ออกจากบาปอกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสมาธิแปประการประชุมศินสมาธิปัญญาในปฐมฌ า, ทท า, า, ทท า, านทุติยฌานตัทยฌานเจตุทะฌานและในรูปฌานสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตานุปัสนานิพิทานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏินิสขานุปัสนา สามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในมรรคผลได้ทุกระดับจนสามารถเข้าถึงอนุ ป, ปาทาพริณิพานคือการดับกิเลสพร้อมทั้งขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือเข้าถึงความพ้นทุกข์คืออนุ ป, ปาธาปริณิพานด้วยกันทุกท่านทุกประการเาิุ